พุทธวัตรสวัสดีค่ะท่านฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสันสนีสนทนาดำเนินรายการโดยสันสนีนานาพง์รายการที่ออกอกาศทาง FM-106 ครอบครัวข่าวและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมประเกีอีกรอีก1 5สสถานีเพื่อให้ท่านฟังนั้นได้ทำความรู้จักกับธรรมะที่ประกอบไปด้วยพุทธวัจนธรรมวินัยจากพุทธโอษค่ะพบกับพระมรคชาคาวโรนะคะนมัสการกับท่านค่ะ ค่ะวันนี้พระสูตรเกี่ยวเนื่องกับสังเวชนียสถานจะเป็นเรื่องอะไรคะท่านคะวันนี้จะเป็นเรื่องของการที่พระองค์ได้บังเป็นกุกรกิริยาก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้ก็เดี๋ยวเรามาฟังกันพร้อมพร้อมไปกับการประพฤติปฏิบัติเลยละกันค่ะนี่มันค่ ะ, <c oughs> ะสำหรับวันนี้เราก็มาประพฤติปฏิบัติทางความเพียพรพ่อนกิเลสด้วยการจเจริญอนาณาฐานสติกันพร้อมกับฟังพระสูตรที่เป็น พุทประวัติของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสถึงการที่ท่านได้มาเป็นทุกระกิริยาพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับราชกุมารไว้ว่าราชกุมารเหล่านั้นเมื่อหลีกไปจากสำนักอุทะกะผู้รามบุตรแล้วสแแสว่งหายอยู่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 เราได้พบภาค พ, พื้นรมบดีสถานมีชัดป่าเยือกเย็นแม่น้ำไหลใสเย็นจืดสนิทมีท่าน้ำราบเรียบเป็นอันดีน่าประใจมีบ้านสำหรับโคจรตั้งอยู่โดยรอบราชกุมารเราได้เห็นแล้วเกิดความรู้สึกว่าภูมิภาคนี้ น่ารื่นรมจริงชัดป่าเยือกเย็นแม่น้ำไหลใสเย็นจืดสนิทมีท่าน้ำราบเรียบเป็นอันดีน่าเพลิดจทั้งที่โคจรก็ตั้งอยู่โดยรอบที่นี้สมควรเพื่อจะตั้งความเพียรของกุลบุตรผู้ต้องการด้วยความเพียรดังนี้ราชกุมาร เรานั่งพักอยู่ณตมบลนั่นเองด้วยความคิดว่าที่นี้สมควรแล้วเพื่อการตั้งความเพียรนั้นนี้เราตถาคตรู้เฉพาะซึ่งรงประจันอันประกอบด้วยองค์สีที่ได้ปฏิบัติแล้วตะบะศีลวัดวัดเพื่อมีตะบะเราก็ได้ประพฤติอย่างยิ่ง ลูกวัดวัดในการเศร้ามองเราก็ได้ประพฤติอย่างยิ่งเชคุชิวัดวัดในความเป็นผู้รังเกียจเราก็ได้ประพฤติอย่างยิง่งปวิวิตวัดวัดในความเป็นผู้สงัดทั่วแล้วเราก็ได้ประพฤติอย่างยิง่งเรานั้นแห้งแล้งผู้เดียว เบียกแล้วผู้เดียวอยู่ในป่าน่าพึงกลัวแต่ผู้เดียวเป็นผู้มีกายอันเปินเปล่าไม่ผิงไฟเป็นมู้ดีขวนควายแสวงหาความบริสุทธิ์ดังนี้ราชกุมารความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า ถ้ากระไรเราพึงกบฟันด้วยฟันอัดเพดานด้วยลิ้นคมจิตด้วยจิตบีบให้แน่นจนร้อนจัดดูทีราชกุมานครั้นเราคิดดังนั้นแล้วจึงกบฟันด้วยฟันอัดเพดานด้วยลิ้นคมจิตด้วยจิตบีบให้แน่นจนร้อนจัดแล้วเหยื่อไหลออกจากรักแร้ทั้งสอง ราชกุมารเปลี่ยมเหมือนคนที่แข็งแรงจับคนกำลังน้อยที่ศีรษะหรือที่คอผีพ่แน่นจนร้อนจัดได้ฉะนั้นราชกุมารแต่ความเปลี่ยนที่เราปราบแล้วจะได้หาย่อนหยอนไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบ เพราะกำลังความเพียรที่ทนได้ยากเสียแทงเอาราชกุมารความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้ากระไรเราพึ่งเพ่งฌานเอากา่ไม่หายใจเป็นอารมณ์เธอครั้นเรากลั้นหายใจทั้งทางจมูกและทางปากเสียงลมออก ทางช่องหูทั้งสองดังเหนือประมาณเหมือนเสียงลมในสู่แห่งนายช่างทองที่สุบไปสูบมาฉะนั้นราชสุขุมานความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแกเราว่าถ้าอะไรเราพึงเพ่งฌานมีการไม่หายใจนั่นแหละให้ยิ่งขึ้นครังเรากั้นลมหายใจเข้าออกทั้งทางจมูกทางปาก และทางช่องหูทั้งสองแล้วลมกล้าเหลือประมาณแทงซอกขึ้นไปทางบนกระหมอ่อมเหมือนถูกบุรุษแข็งแรงเชื่อเอาที่แสกกระหมอ่อมด้วยมีดโกดอันคมฉะนั้นราชุก ม, มานความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้าอะไรต่อพึ้งเพ่งชานมีการไม่หายใจนั่นแหละ ให้ยิ่งขึ้นไปอีกครั้นเรากลั้นลมหายใจเข้าออกทั้งทางจมูกทางปากและทางช่องหูทั้งสองแล้วรู้สึกปวดศีรษะทั่วไปทางศีรษะเหลือประมาณเปรี่ยบปันถูกปุรุษแข็งแรงรัดศีรษ ะ, ะเข้าทางศีรษะด้วยเชือกมีดเลี้ยวอันขมงฉะนั้นลมกล้าเหลือประมาณหดกลับลงเอา หดกลับลงแทงเอาพื้นท้องดูดถูกคนฆ่าโครหรือลูกมือตัวขยันของเขาเฉือนเนื้อพื้นท้องด้วยมีดสำหรับเฉือนเนื้ออันคมฉะนั้นครั้งเรากลัล้นลมหายใจเข้าออกทั้งทางปากทางจมูกและทางช่องหูทั้งสองแล้วก็เกิดความร้อนกล้ากขึ้นทั่วกายดูดถูกคนแข็งแรง จะย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระวนกระวายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเพียรที่ทนได้แสนยากเสียแท่งเอาดังนี้หรั้นี้เราก็ได้เรียนรู้ว่าพระพูทบีพระพักเจ้าได้บําเพ็ญและก็ปารกความเพียรที่แสนสหาหัสขนาดไหน เดี๋ยวพวกนี้เรามาปฏิบัติพอทำความเพียรกันต่อไปวันนี้ก็พอเข่านี้ก่อนค่ะน้มสักการขอบพระคุณท่านมาร์กไว้ในโอกาสนี้นะค ะ, ะท่านฝั่งค้ะและนั่นก็คือพระมาร์คชาคาวโรวัฒนาปะพงลำลูกกาคลองสิบค่ะ